บทที่22จุดเปลี่ยนกลับจากเวียนเทียนที่วัดเกือบสองทุ่มอเวราเป็นคนอาสาขับให้โดยมีรถสรินเจ้าของรถนั่งด้านข้างส่วนเบาะหลังนั้นพี่น้องสองสาววัยรุ่นนั่งอยู่คู่กันและองฝนนั่งหลับตาทำสมาธิเงียบเชียบแต่นัชเลนั่งคุยกับเจ้าอุ้ยโหยหนุงหนิงชนิดที่ถ้าใครไม่รู้เพิ่งเข้ามานั่งมืดมืดคงนึกว่าเป็นลูกชายวัยสามขวบของหล่อนจริง นึกไม่ถึงนะเอาเวลาเปรยกลวงหัวเราะว่าจะมีคนบังคับให้หมาถือทูปเดินเวียนเทียนได้ด้วยรสรินพยักพเยิดอย่างชินตาเสร็จแล้วนั่นแหละสายเขาละตั้งหน้าตั้งตาให้หมาทำบุญเป็นที่หนึ่งไม่มีใครเกินหน้าอีกแล้วในโลกนี้นัชเลอุสาตัดทูปเทียนสั้นเป็นพิเศษและเตรียมดอกไม้ช่อเล็กมาเองจากบ้าน พอเดินเวียนเทียนก็ประคองอุ้มอุ้ยโหยด้วยมือซ้ายส่วนมือขวารวบสองขาหน้าของมันกุมไว้ในท่าพนมโดยมีธูปเทียนและดอกไม้ปักอยู่ระหว่างกลางมิยายใครจะพากันมองเป็นแถวเด็กสาวก็ยังเดินตัวตรงทำหน้าเฉยๆร่วมไปกับขบวนเวียนเทียนจนครบสามรอบน้าแปลกเหมือนกันนะคะที่เจ้าอุ้ยโหยไม่ดิ้นเลยขนาดเปลวเทียนอยู่ห่างหน้ามันนิดเดียวของเคยๆมั้ง ทรายเขาทำแบบนี้เป็นสิบรอบแล้วเสียดายตอนหมาของน้ายังอยู่น้าน่าจะเอามาเดินเวียนเทียนดูมั่งคำพูดนั้นส่งตรงมาถึงหลานสาวเอาเวลาเพิ่งสัมผัสจริงๆ จ, จังๆว่าแม้แต่หมาก็มีจิตสงบเย็นเป็นกุศลได้คล้ายกระแสจากจิตมนุษย์ความจริงก็เก๋ดีเหมือนกันนะและท่าทางอุยโหยก็มีความสุขมากเลยน้าเค้กไม่ซื้อหมามาเลี้ยงอีกละคะ เห็นอุ้ยโหยบ่อยๆก็ชักนึกมันเคี้ยวขึ้นมาอีกเหมือนกันแต่เอาจริงคงไม่ไหวหรอกต้องทำโ น, โน่นทำนี่เหนื่อยจะตายชักคืนเลี้ยงหมาอีกตัวมีหวังลงไปนอนชักแดกๆกให้มันสงสัยว่าเราเป็นอะไรนัทะเลหัวร้อนแผ่วทำงานเหนื่อยกลับมาเจอหน้าหมาจะได้หายเหนื่อยไงคะเลี้ยงเจ้าพวกหมาสักดิน่านี่คงไม่ใช่แค่กลับมาเจอหน้าให้หายเหนื่อยต้องเล่นกับมันเลี้ยงมันเหมือนเป็นลูก ไม่งั้นเห็นมันเหงาแล้วสงสารแย่สมัยก่อนตอนจำเป็นต้องเอาหมาเข้ากรงแต่ละครั้งน่ารู้สึกผิดเหมือนจับเด็กขังคุกย้อนนึกไปแล้วเหมือนชีวิตขาดเสรีภาพเสียหลายปีต้องรับผิดชอบลูกคนหนึ่งที่ไม่ได้ออกมาจากท้องเราไปจนกว่าจะครบวาระนชะเลเอาหน้าซุกลงไปกับตัวลูกชายอย่างแสนรักนึกไม่ออกว่าต่อไปหล่อนจะย้อนกลับมารลึกถึงเจ้าอุ้ยโหย โดยความเห็นว่ามันเป็นภาระได้อย่างไรงำ่งำงำ่งำง่ำง่ำเด็กสาวงุ้มริมฝีปากงับสุนัขคู่ใจพร้อมเสียงประกอบเจ้าอุ้ยโหยเห่าตอบเล็กๆและพยายามม้วนตัวมาเลียหน้านายแม่ซึ่งนายแม่ก็ยิ้มชื่นยื่นหน้าให้ลิ้นมันโดนถนัดถนัดโดยดีคนเมื่อกี้ใครเหรอสงบสงเง่ยสุภาพเรียบร้อยดีจริงๆท่าทางฉลาดนะแฟนสายหรือเปล่าเอาเวลาถามถึงเด็กหนุ่ม ซึ่งคืนนี้น้เลชวนมาร่วมขมบวนด้วยก็เป็นคนสนิทนะคะแต่แม่คงยังไม่อยากให้ยอมรับกับหน้าเค้กเกินฐานะเพื่อนมัง้งหน้าสาวยิ้มอย่างเข้าใจและอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้เขาบองทาอยอยู่ตลอดเวลาเลยนะเหมือนคนกลัวของหายสงสัยพยายามระลึกชาติมากกว่าเห็นก่อนกลับกระซิบว่าคุ้นบรรยากาศมาทำบุญกับทายจังว้าว เอาเวลาลากเสียงยาวต้นเสียงเป็นประกายสดใสด้วยความชื่นมื่นแทนล้านแต่ปลายเสียงซึมแผ่วลงด้วยความคิดเปรียบเทียบกับวิถีทางของตนเองมีผู้ชายพูดกรอกหูหลายรายว่าคุ้นกับหล่อนเหมือนเคยครองคู่กันมาแต่เคยครองอีท่าไหนไม่รู้ชาตินี้ถึงกระเด็นจากกันไปด้วยเหตุผลต่างๆนานา อาจจะเป็นเพราะไม่เคยมีสักคนที่กระซิบบอกหล่อนขณะอยู่ในงานบุญว่าคุ้นเคยกับบรรยากาศทำบุญร่วมกับหล่อนมาก่อนดังเช่นที่จองเลิกกระซิป บ, บอกนะชะเลเงียบคิดฟุ้งซ่านเป็นครู่ก่อนเออยถามรสรินพี่น้องคู่ที่เคยทำบุญร่วมกันมาจะต้องเกิดความคุ้นเคยขณะอยู่ในงานบุญร่วมกันเสมอไปทุกชาติหรือเปล่าคะรสรินอึง้งคิดก่อนตอบเลี่ยง เค้กก็ไปเอาจริงเอาจังทำไมอีตาเลิกหาเรื่องหยอดให้สายเครื่มไปงั้นแหละแต่สายก็รู้สึกแบบเดียวกับเขานะคะแม่นัชเลแสกเหมือนนี่ไม่ใช่การนัดมาทำบุญร่วมกันครั้งแรกเดินอยู่ข้างๆกันแล้วอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยและเหมือนเป็นเงาตามไปในทิศเดียวกันแตกต่างจากที่เคยมาเดินตามเราต้อยๆทุกคนพวกนั้นทาให้สายรู้สึกเหมือนมีคนแปลกหน้าสะกดรอยตาม กำลังชอบใครสนิทกับใครหรือถูกอัจยาศัยกับใครก็เกิดอุปทานทำนองนี้ได้ทั้งนั้นแหละอย่าเพิ่งยึดมั่นถือมั่นง่ายๆดูดูกันไปเรื่อยๆก่อนรสิรินพูดปัดเพราะชักนึกกลัวขึ้นมาอีกจองเริศเข้ามาเร็วเหลือเกินทั้งสามีหล่อนทั้งน้องสาวเหมือนชอบใจให้การต้อนรับเป็นอันดีแถมพอเดินทาบุญด้วยกันแล้วหล่อนยังพลอยรู้สึกดีไปด้วยอีกคนจนต้องถามตัวเองว่า นี่หล่อนปล่อยให้โจรเก่าเข้าถึงครอบครัวได้ง่ายได้ปานี้ทีเดียวหรือก็ดูอยู่ไงคะวันนี้ก็ดูนชเลทําเสียงอ้อนดูแต่ตาไม่พอหอกใจต้องคิดด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่สิ่งที่แม่เห็นคือเขากำลังหลงหนูหนูอยากให้เขาเป็นอย่างไรเขาก็คงจะเป็นอย่างนั้นเอาไว้คบนานจนชินชินแล้วค่อยดูใหม่ว่าจะออกลายอะไรหรือเปล่า พอเห็นแม่แสดงท่าทีเมินจองเลิกต่อหน้าคนอื่นณัชเล ก, ก็ย่นคิ้วเล็กน้อยหล่อนว่าหล่อนสับสนเพราะตลอดมาทั้งพ่อและแม่สอนให้คิดเป็นกล้าตัดสินใจและพร้อมจะรับผิดชอบทุกการเลือกของตนเองแต่เอาเข้าจริงเหมือนแม่ตั้งท่าถือบางเหียนควบคุมชีวิตหล่อนอยู่ตลอดเห็นได้ชัดจากการเลือกคบคนรักซึ่งวัดได้ว่าหล่อนสามารถเป็นตัวของตัวเองแค่ไหน แม่ไว้ใจหล่อนเพียงใดและเหตุการณ์ก็พิสูจน์แล้วว่าหล่อนยังไม่เป็นตัวของตัวเองแม่ยังไม่ไว้ใจยังไม่เชื่อถือสายตาหล่อนแต่อย่างไรนัชาเลก็ท่องได้ขึ้นใจว่าแม่รักหล่อนมากกว่าใครในโลกความรักของคนอื่นอาจเป็นอื่นได้เสมอแต่ความรักของแม่จะคงเดิมไปจนชั่วชีวิตความขึ้นใจนั้นทาให้นัชาเลเห็นใจแม่แม่มีเหตุผลอันสมควรจองเิกมีมนทิน มณทินยิ่งใหญ่เท่าไรอนาคตก็ยิ่งยากจะไว้ใจขึ้นเท่านั้นแม่หล่อนอ่อนไว้กับเรื่องการครบคนและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างกับหล่อนและพี่สาวมาตลอดหากใครก่อกรรมอันเป็นเหตุให้ได้ชื่อว่าเป็นพานแล้วแม่จะตั้งระยะความสัมพันธ์ไวห่างเหินมากต่อให้เป็นเครือญาติก็ตามนี่จองเลิกเป็นคนแปลกหน้าที่เพิ่งโผล่เข้ามาด้วยวิธีปีนรั้วเข้าบ้าน แถมพกด้วยประวัติอันดำทำมึนระดับข้ามชาติจู่ๆหล่อนจะหวังให้แม่ไว้ใจเขาง่ายๆกระนั้นหรือพอคิดได้นัทะเลก็รู้สึกสงบลงและเลือกนิ่งเงียบไม่โต้อตอบหล่อนจะเป็นเด็กดีของแม่ต่อไปในขณะเดียวกันก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองไปพร้อมๆกันความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาของจองเลิกทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่าหล่อนสามารถฉุดเขาขึ้นสูงไดถึงยอดโดยไม่กลับพลัดตกต่าลงอีกเลย วันไหนเขาอยู่บนยอดอย่างแจ่มชัดวันนั้นแม่คงเลิกกังวลไปเองฝ่ายอเวราฟังแม่ลูกโตอตอบกันเพียงสั้นๆก็พอจับทิศทางถูกอ่านออกในทันทีว่าณนะเลเปิดใจรับจองเลิกเต็มที่แล้วแต่รสรินยังก้มกึ่งอยู่ความจริงหลอนไม่น่ามีเอี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องในครอบครัวของพี่สาวนักแต่ประหลาดที่เกิดความรู้สึกอยากเป็นเหมือนณเลขึ้นมาเมื่อครั้งอยู่ในวัยเดียวกับณเล หล่อนก็เหมือนเด็กสาวร่วมยุคอีกหลายหลายคนที่พ่อแม่ยังเข้มงวดและคเคมันมองหนุ่มทุกหน้าที่มาติดพันจะไปไหนจะทําอะไรเป็นต้องจับตามองทุกฝีก้าวกระทั่งหล่อนเกิดความเกรง ร, รําคาญรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างแรงจนอยากเรียกร้องให้มีกฎหมายห้ามพ่อแม่เข้มงวดกับลูกสาวขึ้นมาสักฉบับช่วงที่อยู่ในการควบคุมของผู้ปกครองหล่อนเป็นเด็กดื้อเงียบคือหล่อนไม่เถียงไม่ขัดใจ ไม่ปึงปังใส่พ่อแม่แต่ทําทุกสิ่งที่ตนปรารถนาแม้ต้องหลบหลบซ่อนๆคบหนุ่มบางคนที่พ่อแม่ไม่ชอบขี้หน้าก็ยังเคยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้าถึงกันได้ยากกะแค่จับคู่ให้ถูกฟ้าถูกตัวก็ต้องเฟ้นแล้วเฟ้นอีกไหนจะต้องฝ่าด่านอารหันต์ของลูกคือพ่อแม่อีกโซดและครั้งหนึ่งหล่อนเคยได้บทเรียนที่น่าเจ็บใจ เมื่อดันทุรังคบกับหนุ่มหลอซึ่งพ่อแม่วิจารณ์ว่าขาดสัมมาคารวะมองหล่อนเหมือนเสือมองเหยื่อที่จะดับหิวของมันเพียงมื้อหนึ่งแต่หล่อนก็ไม่เชื่อและมีความทนงว่าสามารถเป็นเบอร์หนึ่งของเสือผู้หญิงตัวฉกาศ ร, รวมทั้งนึกว่าตนมีสเสน่ห์มัดใจแรงพอจะเปลี่ยนแปลงเขาให้รักจริงหวังแต่งแต่เพียงสองเดือนหลังจากพลีกายถวายพระมารีให เจ้าหมอนั่นก็สาแดงเดชเสือติดปีกบินหนีไปหาเหยื่อใหม่ง่ายๆบทเรียนนั้นสอนอะไรหลอนหลายอย่างเช่นความเชื่อมัน่นความทะนงกับความมีดีจริงแค่ไหนก็ไม่เพียงพอจะสยบเสือให้เชื่องสัญชาติเสือย่อมไม่เบื่อออกล่าและนั่นเป็นครั้งแรกที่แอบร้องไห้เสียใจกับการไม่เชื่อฟังพ่อแม่แต่ครั้งเดียวไม่เข็ดพักเดียวก็เอาอี แล้วก็โดนพ่อแม่เอ็ดเสียงเขียวอีกสมัยเป็นวัยรุ่นหล่อนจึงโหยหาอิสระภาพเสมอปรารถนาจะอยู่พ้นสายตาดูแลควบคุมของพ่อแม่เสมออยากให้พ่อแม่ท้วงติงห้ามปรามน้อยๆเสมอทว่าเมื่อเป็นอิสระเข้าจริงๆชีวิตก็ปรากฏเป็นอีกแบบหนึ่งอยากทำอะไรก็ทำอยากคบใครก็คบอยากเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกบางวันก็งงเคว้งว่าใช้ชีวิตมาถึงไหน เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วตัดสินใจผิดพลาดไปกี่ครั้งทุกอย่างคลุมเครืออยู่ภายใต้เวิร์ฟฟ้าของคำว่าอิสระภาพคำเดียวจนต้องถามตัวเองบ่อยๆ อ, อิสระภาพที่ปราศจากความอบอุ่นอิสระภาพที่หนาวเย็นนี่หรือคือสิ่งที่หล่อนต้องการอย่างแท้จริงความที่พยายามดินน้นหนีจากการควบคุมของพ่อแม่มาตลอดทาให้หล่อนไม่เคยขอคาปรึกษาไม่เคยเห็นด้วย และไม่เคยแม้แต่จะฟังสิ่งที่พ่อแม่พูดเกี่ยวกับเรื่องคนรักดังนั้นเมื่อถึงเวลาอยากได้คําปรึกษาหรือกระทั่งคําตักเตือนดูด่าว่ากล่าวเพื่อเบรกหลอนจากการหลงทิศหลงทางหลอนจึงเหมือนไม่มีใครต้องหันมาพึ่งคนนอกบ้านแทนและรสสิรินก็คือที่พึ่งนั้นคืนนี้หลอนเพิ่งเห็นหน้าจองเิกเป็นครั้งแรกลักษณะภายนอกแม้ไม่โดดเด่นเป็นเอกทัดเทียมกับณชะเล แต่ก็มีความคมคายในบุคลิกที่ดึงดูดสายตากว่าวัยรุ่นธรรมดาและแม้ส่วนสูงจะไล่เลี่ย ก, กันกับนัชเลดูไม่ค่อยเหมือนจะเป็นองครักษิทักแฟนสาวจากภายัยพานแต่ทั้งคู่ก็มีหลายสิ่งที่กลมกลืนกันมองแล้วเข้าคู่กันเหมาะเจาะชวนพิษทั้งจองเลิกและนชเลต่างมีประกายตาล้ำลึกผิดวัยคล้ายๆกันอีกทั้งมีกระแสทางใจที่คล้อยไปในทางเดียวกัน เป็นอะไรประมาณว่าอยู่ใกล้กันแล้วคงสุขสมคงพูดจาภาษาเดียวกันคงทำความเข้าใจกันรู้เรื่องตลอดไม่ใช่อยู่ใกล้แล้วอึดอัดหรือไม่ทราบจะหาเรื่องใดมาคุยดีสำคัญคือจองเลิกท่าทางรักและหลงนัชะเลเสียเหลือเกินเป็นความรักที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่หาคือมีใจเดียวจริงจังยั่งยืนเป็นความรักที่ฉายชัดในตัวเองจนแทบไม่ต้องการข้อพิสูจน์ใดๆ เสียแต่ว่าในความดูดีเขาอาจมีบางสิ่งที่รสรินไม่ชอบใจเพราะเหตุเพียงเท่านั้นก็ทำให้ความรักติดขัดไม่ราบรื่นได้แล้วนี่แหละปัญหาโลกแตกทั้งรถเงียบกริบต่างฝ่ายต่างคิดกันไปคนละทางจนกระทั่งถึงบ้านทรายเปิดให้ค่าแม่เด็กสาวขอลูกกุญแจซึ่งติดไว้ที่ต่อนหน้าของรถ พอได้มาก็นำสุนัขตัวโปรดฝากไว้กับตักพี่สาวซึ่งยังคงอิ่มบุญนั่งทราบซึ้งกับรถวิเวกแห่งสมาธิแน่นิ่งแล้วลงจากรถไปไขกุญแจผลักประตูรั้วออกกว้างยืนแอบขวาพร้อมกับดึงใบปลิวที่เหน็บไว้กับช่องประตูอันลอยออกมาอ่านอย่างสนใจเนื่องจากเป็นโฆษณาของร้านเปิดใหม่ใกล้บ้านซึ่งเป็นธุรกิจครบวงจรเกี่ยวกับสุนัขและแมว พเวลาหักหัวรถเข้าบ้านหลอนไม่เคยชินกับวงเลี้ยวของโตโยต้าวิชเท่าใดนักจึงต้องมองระวังเหลี่ยมรถกะให้ห่างจากเสาด้านซ้ายพอประมาณแต่ขณะกาลังเกรงเกรงอย่างพะวงอยู่กับมุมมองทางซ้ายมืออยู่นั่นเองหญิงสาวก็ได้ยินนชะเลกรีดร้องลั่นมันเป็นเสียงแหลมก้องแห่งความตรนกสุดชีวิตที่บาดโสตประสาทลึกเข้าไปถึงขั้วหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสารถีสาวที่รู้สึกชัดในวินาทีต่ตอมาว่าล้อขวาหน้าเหยียบอะไรหยุนหยุนเข้าอย่างหนึ่งกดเบรกและลงเกียร์ว่างทันทีตกใจในแว บ, บแรกนึกว่าเหยียบท้าวหลานสาวแต่พอหันไปมองแล้วก็พบว่าระยะที่น้เลยือนอยู่นั้นห่างเกินรัศมีของอันตรายไปพอควรจึงโล่งอกปล่หนึ่งทว่าเมื่อเห็นใบหน้าขาวซีด และหน่วยตาเปิดกว้างเยี่ยงคนกําลังช็อกของหลานสาวถนัดสัญชาตญาณก็บอกว่าหล่อนเพิ่งขับรถเหยียบอะไรที่ไม่น่าเหยียบอย่างที่สุดเข้าให้แล้วสิ่งนั้นเปราะบางและแต่งดับง่ายมันทาให้บังเกิดความรักตัวกลัวบาปเสียสันหลังและสยองกล้าวยิ่งมือไม้หนักอึ้งเมื่อจําใจต้องเปิดประตูรถเพื่อเผชิญหน้าความจริงให้รู้ดารู้แดงทันทีที่เท้าวางลงพื้น หญิงสาวก็สัมผัสถึงสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่กำลังดิ้นพลาดพลาดโดยปราศจากเสียงร้องมันชักกระตุกดีดไปดีดมาคล้ายปลาถูกทุบหัวด้วยค้อนอมหิตแสงนีออนจากถนนสาดลงมาให้เห็นไส้ที่หลุดทะลักออกมานอกตัวที่ร้ายกว่าอะไรคือร่างน้อยนั้นจำเพาะต้องแด่ดิ้นกระเดนกระดอนมาฟาข้อเท้าหล่อนตับตับพอดิบพอดีเอาเวลาร้องไม่ออกได้แต่อ้าปาก ตาค้างเบิกโพรงวิวหงใคลพื้นโลกและร่างกายแหว่งหายไปฉับพลันไม่อยากเชื่อว่านั่นเป็นความจริงเจ้าอุ้ยหวยภาพที่เข้าตาในบัตรนั้นประดุดการเรียนแบบฝันร้ายสองขาหน้าของสุนัขยอกเชียเทอเรียตะกายอากาศรุนแรงไม่มีใครทำอะไรได้มากกว่าดูมันแสดงบทลาจากไปต่อหน้าต่อตา และเมื่อแสดงบทหนักสุดท้ายในละครโรงใหญ่จนสมควรแก่เวลาอุ้ยโหยก็ค่อยๆโรยแค้งขาลงสู่ความสงบทีละน้อยจนกระทั่งยุติความเคลื่อนไหวทั้งปวงอย่างสนิทเป็นสัญญาณการปรากฏตัวของมัจจุราชเหลือไว้แต่ดวงตาเหลือค้างคล้ายตุ๊กตาซึ่งประดิษฐ์ขึ้นด้วยเจตนาหลอนจิตเอาให้สารถีมือเพชฌฆาตลืมไม่ลงไปจนกว่าจะหลับและฝันร้ายต่อ เอาเวลาไม่รู้สึกว่าตนเป็นอะไรอื่นมากไปกว่าหุ่นปั้นไร้ชีวิตเท่าเท่ากับเจ้าอุ้ยโหยที่นอนนิ่งอยู่แทบเท้ากระทั่งสติกลับคืนมาอีกครั้งก็เมื่อนัชเลเดินเข้ามาอย่างสงบและช้อนร่างที่อ่อนเป็นหยวกราวกับไร้กระดูกของสุนัขแสนรักขึ้นอุ้มกอดแนบอกไม่แยแสว่าร่างยับเยินโชคเลือดนั้นจะทาให้เสื้อผ้าเปะเปื้อนอย่างไร เอาเวลาสุดกายกลับลงนั่งกับเบาครึ่งตื่นครึ่งฝันปากคอสันทำอะไรไม่ถูกขณะนั้นรถสรินและและอองฝนเปิดประตูก้าอ้อมรถมาดูเหตุการณ์แล้วต่างก็ตกตะลึงหน้าซีดเผือดกันไปหมดนัชาเลผู้เป็นเจ้าของสุนัขชตาขาดเองเสียอีกบัดนี้ดูสงบเป็นปกติไม่มีอาการฟูมฟายไม่มีอาการร่ำร้องเพ้อพกไม่มีแม้แต่ในตากโกรธขึ้งเลงแลมายังคนขับ ผูท้ทำหน้าที่เพชฌฆาตแม้แต่น้อยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะละองฝนร้องอย่างงุนงงเพราะเมื่อครู่ตอนน้องสาวเอาเจ้าอุ้ยโหยมาวางบนตักหลอนหลอนก็รู้สึกตัวดีแม้จะหลับตาอยู่แต่วินาทีเดียวร่างมันก็หายไปจากตักหล่อนไม่ได้เฉลียวคิดเลยว่านั่นคือการกระโดดแพผวลงจากรถตามน้ำทะเลไปเพียงนึกว่ามันลงจากตักหล่อนไปยืนหรือนั่งลงกับเบาะด้านข้างเท่านั้น นัชเลใช้จุมพิษปิดตาศพทีละข้างก่อนเงยหน้าขึ้นมองผู้พี่แล้วอองฝนไม่อยากสบตาน้องสาวเลยเพราะรู้ตัวว่ามีส่วนผิดเต็มประตูค่าที่ไม่รู้จักดูแลของฝากที่รับมาแต่นัชเลก็นิ่งเย็นและดูเป็นสุขอย่างน่าประหลาดขณะตอบกลับไม่เป็นไรหรอกฝนถึงคราวของมันนะ่ะทุกอย่างจึงได้ประจวบเหมาะอย่างนี้ ความตะลึงค้างระรอกใหม่เกิดขึ้นทั้งรสรินอเวราและและอองฝนพากันจ้องงงเงันไปยังเจ้าของสุนัขที่ได้ชื่อว่ารักและหวงแหนลูกชายมากที่สุดในโลกคนหนึ่งคล้ายตาฝาดและหูแววที่เห็นและได้ยินราชเลกกล่าวออกมาเรากลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นนั้นรสรินเป็นห่วงนึกว่าลูกสาวช็อกจนด้านชาไร้ความรู้สึก อุ้มศพแนบอกและพูดจาแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นจึงเคลื่อนกายเข้ามาโอกไหล่ทรายเป็นอะไรหรือเปล่าลูกแม่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งเพียงใดรสสิรินยังปลายเสียงสั่นไหวไปกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญนชเลเข้าใจความเป็นห่วงของแม่จึงยิ้มแป้นเป็นการคลายความกังวลให้ท่านไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ร ส, สิรินขมวดคิ้วมองหน้าลูกอย่างฉงนชงาย แทนที่จะรู้สึกดีกลับเป็นห่วงหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะนั่นไม่ใช่ปฏิกิริยาสามัญอันพึงคาดหวังได้จากเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่เพิ่งสูญเสียสุนัขสุดสวาดไปจึงยิงคำถามตรงๆเพื่อดูว่าผู้เป็นลูกจะตอบอย่างไรรู้หรือเปล่าว่าอุ้ยโหยมันตายแล้วคราวนี้น้าชะเลถึงกับหัวรอร่วนเพราะทราบว่าแม่เห็นหลอนตกใจจนสติวิปลาดไปแล้วก็ตายนะสิคะแม่ ตัวเล็กนิดเดียวโดนรถทับเข้าจังๆขืนยังวิ่งให้ดูได้พวกเราคงต้องเป็นฝ่ายวิ่งหนีกับอุดตลุดละรสสรินหยุดหายใจไปชั่วขณะกลืนน้ำลายเกือบไม่ลงแล้วในลูกแกล้งทำหน้าเฉยๆอยู่หรือเปล่าเก็บกดไว้ไม่ดีนะลูกแม่จะให้หนูร้องไห้ให้ดูเหรอคะก็ได้ความจริงหนูก็เศร้าอยู่เหมือนกันนชะเลไม่ต้องเค้นมากนักแต่พริกนิดหนึ่งด้วยเจตนาให้คนอื่นสบายใจ หันอีกด้านของอารมณ์คือห่วงแห่งความรู้สึกจากพรากออกมาน้ำตาก็พรั่งพลูลงมาเป็นสายทันทีหล่อนซบหน้าลงกับใบหน้า ม, มันและเบะปาก พ, พึมพำปนสะอื้นเยี่ยงผู้ที่โศกลึกลูกไปดีแล้วนะลูกนะสตรีอีกสามนางอึ้งเงียบก้อนสะอื้นมาจุกอยู่ที่คอหอยเอาเวลาถึงกับลุกจากที่ดึงร่างนชเลมาจากอ้อมโอบของรสริน แล้วโผลเข้ากอดอย่างไม่รังเกียจศพในอ้อมอกหลานทรายนะ้าขอโทษขอโทษเสร็จก็ร้องไห้โฮเป็นที่น่าเวทนาณเชเรรู้สึกได้ว่าน้าสาวเศร้าและรู้สึกผิดแรงจึงหยุดสะอื้นใช้แขนขวาโอบปลอบเอ่ยชัดถ้อยชัดคำกล้ใบหูเอเวราหนะ้าคะอย่าร้องนี่แค่ภาพหลอกภาพหนึ่งคำพูดเพียงสั้นแต่ขลังช ง, งัดเอเวราสะดุดกึก หยุดร่ำให้ทันใจพระถอยออกมาหนึ่งเก้าเพื่อมองหน้าหลานสาวให้เต็มตาหมายความว่ายังไงภาพหลอกก็หลอกว่ามีการตายหลอกว่ามีเหตุการณ์น่ากลัวความจริงแล้วเปล่าเลยเจ้าอุ้ยโหยได้เวลาเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมต่างหากแล้วนะชะเลก็ก้มลงมองซากอันปราศจากวิญญาณครองในมือด้วยสายตาของคนเข้าใจจริงๆ ว่าสิ่งที่ตนอุ้มอยู่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแสนรักอีกต่อไปแล้วเหลือแต่ก้อนเลือดก้อนเนื้อที่ต้องฝังกันตามเรื่องตามราวเท่านั้นทายทำใจได้จริงๆหรือเนี่ยละองฝนถามอย่างไม่ไวกังขาแม้มีธรรมะหล่อเลี้ยงใจมาพอๆกันหล่อนก็ไม่อยากเชื่อว่าน้องสาวจะเก่งได้ขนาดนั้นเพราะหล่อนเองยังตกใจแทบลิ้นจุกปากมือสัน่นเท้าสัน่นเทากระทั่งบัดนี้ ถ้าลำพังซายเองเจอเรื่องปุกบปรับก็คงเอาไม่อยู่เหมือนกันแหละฝนอาจแผดเสียงดังไปแปดบ้านก็ได้แต่เพิ่งเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าตอนนี้นอกจากไม่เศร้ายังปรับปลื้มยินดีแทนอุ้ยโหยอีกด้วยแล้วหล่อนก็หันมาพูดกับหน้าสาวเห็นไหมคะน้าเคก้กซายทำตามที่เคยพูดได้จริงๆที่ว่าอาจเป็นเจ้าของคนเดียวที่ไม่ร้องไห้ตอนหมาตาย เอาเวลาปิดปากกลั้นสะ อ, อื้นพยักหน้างึกๆึกละองฝนรีบถามลิ้นพันรรัวไมายความว่ายังไงเตรียมใจล่วงหน้าเธอรู้ว่าอุ้ยหวยจะตายคืนนี้เหรอก็ไม่ถึงกลับรู้แบบเจาะจงว่าเป็นคืนนี้หรอกนะัชเลเฉเลยที่สายเพิ่งไปหาพ่อหมออุปการะมาไงวันที่นัดกับฝนแล้วฝนปวดหัวตัวร้อนกระทานหันนะ่ะสายถามแกเรื่องอุ้ยหยก็ได้รับการทานายว่า อีกไม่นานมันกําลังจะถึงคราวเปลี่ยนภพและมันจะได้ไปดีไม่ต้องทนทรมานในอัตภาพที่ตกต่ำเป็นหมาเหมือนอย่างนี้อีกหลังจากถูกอคูสลวิบากกักขังหลวงเหนียวไว้เสียหลายชาติและน่าภูมิใจคือในขณะที่ยังช่วยมันได้ซายเองเป็นคนกาหนดเลือกให้มันไปดีเกิดใหม่ในที่ดีกว่าแน่ใจอย่างนี้เลยไม่เห็นเหตุผลให้ต้องเศร้าไม่รู้จะฟูมฟายไปทาไม เรมปริติมากกว่าละ อ, องฝนผ่อนลมหายใจยาวพ่อหมอนั่นเองแต่ไม่วายกังขาแน่ใจหรือว่ามันไปดีชักดิ้นชักงอตาเหลือขนาดนี้นั่นมันอาการทางกายสายจ้องมันเต็มตาโดยไม่มีอุปทานครอบงําการเห็นก็ได้สัมผัสความตายอย่างใกล้ชิดนะรู้สึกชัดเลยว่าอาการดิ้นเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องของประสาทกระตุก มันอาจจะขาดใจตายไปด้วยความเจ็บปวดก็จริงแต่ถ้าอารมณ์ก่อนหน้าของมันเป็นกุศลเหนือความทุรนทุรายแบบสัตว์จิตก็รวมลงเป็นความสว่างเย็นได้สายไม่ได้เชื่อหมอดูอย่างเดียวแต่ตัดสินจากสัมผัสของตัวเองเมื่อครู่ด้วยน้ำหนักกุศลที่สั่งสมมาของมันชนะอาการตายทรมานสงให้ผ่านภพบอบายไปสู่สุขติแล้วไปอยู่ไหนไม่รู้สิว่าจะลองถามพ่อหมอดู ที่รู้กับตัวเองเดี๋ยวนี้คือสายสัมผัสกระแสอะไรบางอย่างที่ทำให้เบิกบานและสดชื่นใจเอาเวลากระพริบตาทีๆนี่สายไม่ได้กำลังพยายามทำให้น้าสบายใจใช่ไหมโทษสายจะแกล้งทำไมล่ะคะแล้วหล่อนก็ยิ้มพรายถ้าในอารมณ์ที่ผิดปกติมองไม่เห็นตามจริงสายคงตีโพยตีพายตัดเพ้อต่อว่านาเค้กที่ขับรถทับมันหรือไม่ก็กล่าวโทษยายฝน ข้าที่ฝากไว้แล้วมวัวแต่นั่งหลับตาไม่ดูแลแต่ในอารมณ์นี้สายเห็นชัดค่ะว่าเป็นความผิดของสายเองที่ไม่รอบคอบทุกทีตอนลงมาเปิดประตูรั้วให้พ่อแม่สายไม่เคยปล่อยให้มันตามลงจากรถมาได้วันนี้เป็นไงไม่ทราบถึงชลาขาดความระวังไปนาเคกไม่มีส่วนผิดไม่มีโอกาสระมัดระวังอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนสาหรับฝนซึ่งนั่งหลับตาอยู่แบบนั้น ที่ไหนจะนึกว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้เอาเวลาค่อยสีหน้าแช่มชื่นขึ้นทุกถ้อยคำของนัชเรประกาศชัดว่าออกมาจากสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์อีกทางอารมณ์ก็เป็นสุขคงที่หาความหวันไหวไม่ได้เลยและนั่นก็ไม่ใช่เรื่องเกินทาใจเชื่ออีกต่อไปหากสิ่งที่นัชเรล่วงรู้เป็นความจริงแท้ก็แปลว่าเหตุการณ์เมื่อครู่เป็นมงคล มิใช่เป็นอัปมงคลดังปรากฏเป็นภาพสยดสยองลวงตาแต่อย่างใดรสรินถอนใจโล่งอกคลายกังวลและชื่นชมโสมนัสกับความเป็นลูกสาวคนเก่งนอกจากนัชเลไม่เศร้าไม่คิดเอาผิดกับใครแล้วยังเป็นฝ่ายปลอบใครต่อใครให้สบายใจขึ้นอีกต่างหากนี่แหละทายหนูทำความหมายของการอยู่ร่วมกันให้ประเสริฐแล้ว รศรินเอยพรางโอบหลายลูกอีกครั้งประคับประคองกันและกันไม่ให้ตกตำ่ำหรือกระทั่งทาตัวเป็นเหตุปัใจจัยให้กันและกันไปดีนี่แหละการอยู่ร่วมกันที่ประเสริฐสุดค่ะแม่นัชเลยิงคอเอาแก้มแนบแก้มแม่แผ่วแผวเสรษดายเรารู้แต่ว่าเขาจะไม่อยู่กับเราอีกแล้วแต่ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อจากนี้อย่างน้อยสายก็รู้ไงว่าค่ะ ลูกสาวรีบต่อคำให้มารดากรมของอุ้ยโหยจะติดตามไปดูแลมันเอง